ครัร้งพุทธการที่บวชจากี่ตอบพระพักของพระพุทธเจ้าบวชเพื่อความจดจ่อต่อมรรคต่อผลจากนั้นก็ตั้งนานั้งนาตั้งตาปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจ แม้ในมีข้องมีแวะกับสิ่งใดด้วยอำนาจแห่งความมุ่งมั่นของท่านมีกำลังกล้าสามารถที่จะคุมอำนาจในบรรดาอารมณ์ทั้งหลาย ท, ที่เคยเป็นมาจากทางโลกให้เข้าสู่วิถีแห่งธรรมโดยทายเดียว ทั้งๆ ท, ที่ท่านมีกิเลสอยู่นั่นแหละแต่พลังของใจที่มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มีกำลังมากจึงสามารถกำจัดตัดต่ออารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นมาในทางคารวะของท่านได้ไม่รบกวนการบำเพ็ญสมณะธรรมของท่าน พระพุทธเจ้าทรงที่แนวไว้อย่างไรไม่ว่าสถานที่อยู่ที่อาศัยสถานที่บำเพ็ญบรรดาลพระในครั้งนั้นตั้งใจจดจอ่อต่อพระโอวาทด้วยความเต็มใจเที่ยวสาะแสวงหาอยู่ในที่ ซึ่งทรงสั่งสอนไว้แล้วและปฏิบัติตนตามแนวทางที่ประกาศทำสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เพื่อตั้งแต่องค์แรกแรกเช่นเนบญจวัคคีทั้งห้านี้เป็นผู้พร้อมแล้ว ที่จะออกจากของทุกข์ทั้งหลายด้วยความเต็มใจคอยแต่ผู้จะแนะนำสั่งสอนหรือชี้แนวทางโดยถูกต้องเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีข้อกังวลใดๆกับท่านเหล่านั้นมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียว เมื่อพระพุทธเจ้าประกาศธรรมมีธรมรมะจากปวัตนสูตรและอนัตตลกณาสูตรเยียงเท่านั้นก็สามารถบรรลุธรรมถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ทุกทุกองในเบนจัวกีทั้งหานะัคนี่เพราะพร้อมแล้วทั้งอุปนิสัยพร้อมแล้วทั้งความตั้งจิตตั้งใจ ทุกแง่ทุกหมุ ม, มรวมอยู่ในจุดธทรรมที่จะกระโดดข้ามพ้นไปเสียจากของทุกทั้งมวลเท่านั้นถัดมาเป็นลำดับํนำลาก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันการปฏิบัติจึงเป็นไปจึงเป็นความหลักแน่นทั้งในธรรมในวินัยรัฐานที่อยู่ที่อาศัยการบำเพ็ญไม่ลดหย่อนอ่อนข้อ มีแต่ความเข้มแข็งไปโดยไถ่เดียวองค์นั้นบรรลุธรรมอยู่ในป่านั้นนผลของท่านปรากฏขึ้นมาว่าองค์นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นี้สําเร็จพระสกิตาคาองค์นั้นสําเร็จพระอนาคาองค์นั้นสําเร็จพระระหัสตัดวิเลตออกจากสันดาน ถึงพรนิพานสดๆร้อนๆภายในใจท่านเหล่านี้แดเป็นผู้ที่เชื่อพระพุเทธเจ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในสมัยทุกวันนี้เขาเรียกเปอร์เซ็นว่าร้อยเปอร์เซ็นนั่นเป็นความสูงสุดตามสมมุตินิยมของโลกแล้วถ้าลงเลยถึงร0อยเปอร์เซ็นแล้วเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บรรดาพระสาวกเชื่อพระพุทธเจ้ามีความเชื่อล้วยสักขีพยานที่ตนได้รู้แล้วเห็นแล้วประจักษ์กับพยานจากธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งตนนำมาปฏิบัติตนได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจจึงเชื่ออย่างฝังใจอย่างถึงใจเช่นเดียวกับหมอที่ศึกษาวิชา <c oughs> กแ็แหนงต่างๆ ทั้งฝ่ายอยู่ฝ่ายยาทั้งเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆหมอย่อมมีความเชื่อในยาและโรคพอๆกันเชื่ออย่างฝังใจหมอเชื่อเชื่อโรคและเชื่อยาสำหรับแก้โรคอย่างฝังใจชั้นใดบรรดาพระสาวกทั้งหลาย ที่ได้ศึกษาบาเพ็ญมาจากพระพุทธเจ้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าและเชื่อธรรมทั้งหลายอย่างฝังใจเช่นเดียวกันกับหมอนั่นแหละนี่จึงเรียกว่าเป็นความเชื่อแท้ <c oughs> อย่างหมอเชื่อว่าเชื่อเชื่อในโรคชนิดต่างๆมีเชื่อโรคชนิดนั้นชนิดนั้นอย่างนี้ก็เป็นความจริงซึ่งได้คนด้นและพิสูจน์มาแล้วพร้อมต้องอยุ่ยาที่จะนามารักษา จึงมีความเชื่ออย่างฝังใจนี่ท่านก็นำมาประพฤติปฏิบัติว่าบาปบุญคุณโทษกิเลสประเภทใดๆแยกออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานท่านก็ประจับอยู่ในหัวใจนี้เสียทั้งสิน้นรูดถึงเรื่องกิเลสตัวใดนับตั้งแต่กิเลสหยับหยากเข้าไปจนถึงขั้นกิเลสอันละเอียดละเอียดสุดท่านก็รู้ได้เห็นและ ปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงแล้วกับประจักษ์ใจของท่านเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้จึงเป็นความเชื่อที่ฝังลึกไม่มีวันถอนเพราะใจของท่านเองเป็นประจักษ์สักขีประยานไม่มีอื่นสิ่งอื่นใดที่จะมาขัดมาแย้งให้ท่านหมุนความเชื่อเป็นอย่างอื่นแล้วนั่น ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตัดไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันตัดไว้แล้วอย่างใดความจริงความมีความเป็นตา ม, ามที่ตัดไปแล้วนั้นนั้นย่อมเป็นความมีความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีสิ่งใดบกพร่องแม้แต่น้อยเลยว่าได้คาดเคลื่อนจากสาสนาธรรมที่ตัดไ้นี้ไปเพราะตัดจากสิ่งที่รู้ที่ทรงรู้ทรงเห็น ทรงเป็นเหลือทรงผ่านมาแล้วทุกประการการ น, นำธรรมมาสั่งสอนจึงนําสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นมาแล้วทุกแหน่ทุกมุมไม่ว่าภายนอกทั่วแดนโลกกระถาไม่ว่าภายในพระไทยหรือกิเลสที่ฝังอยู่ในพระไทยก็รื้อถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเมื่อเป็นเช่นนั้นการประกาศสอนธรรมจึงประกาศระย่างกว้างขวางเลือกซึ้งมากไม่มีใครเกิน ศาสตราแต่รับพระองค์พระองค์ไปได้เลยการประกาศธรรมนี้ก็ประกาศเลิกความมีความเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องเวลาผู้ปฏิบัติตามเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมตักตวงเอาจึงมกักสึ่งผลตั้งแต่ข้นจนกระทั่งถึงนิอมุดหยุดพ้นโดยไม่มีทางสงสัยหรือไม่มีทางเป็นอื่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมแท้ ผู้รู้ก็รู้แท้เห็นแท้นำมาสอนก็สอนโดยความเป็นธรรมแท้ไม่เป็นอย่างอื่นมีพระเมตตาเป็นฐานสำคัญประกาศธรรมสอนโลกไม่เคยปราศจากพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเลยเพราะที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกไม่มีประมาณนั้นก็เพราะสิ่งที่ สัมผัสสัมพันธ์กับพระไทยของพระพุทธเจ้าในแดนโลกธานนี้จนหาประมาณไม่ได้ไม่ว่าความสุขความทุกข์กประเภทใดจนถึงขั้นหมานตัดทุกข์ถึงกับจะหาเวลาหลุดพ้นไม่ได้พระองค์ก็ทรงผ่านมาแล้วรู้มาแล้วสุขก็สรงแต่สุขพื้นพื้นจากการบำเพ็ญความดีของผู้เป็นเจ้าของ มดีทั้งหลายนั้นได้รับอย่างไรพระองค์ก็ทรงผ่านมาโดยสิ้นเชิงแม้พระองค์เองก็ทรงเป็นองค์ค้าพยานอยู่แล้วในพระไตรว่าไ้ทรงเป็นมาแล้วอย่างนั้นและได้รู้ได้เห็นได้สิ่งที่สัดจสิงทั้งหลายที่เป็นแล้วอย่างนั้นมาโดยสมบูรณ์ทั่วแดนโลกธานทั้งสุขทั้งทุกเป็นสิ่งที่จะเหมือนกับเป็นที่ ให้พระองค์มีแก่พระไทยที่จะเกิดความเมตตาสั่งสอนสัตว์อด้รับความทุกข์ก็ทุกข์มากถึงพระไทยอด้รับความสุขถึงขั้นสุขบรมสุขก็ถึงพระไทยพระองค์ทั้งสองอย่างนี้มีพลังมากฝังอยู่ภายในของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกจึงไม่ได้สั่งสอนแบบธรรมดาเหมือนคําบอกเล่าทั่วๆไป ที่โลกทั้งหลายเคยเล่าเคยได้ยินต่อๆกันมาแต่เป็นสิ่งที่นำออกมาจากความสัตว์ความจริงที่เป็นอยู่ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาะถาได้เสวยกันอยู่นั้นเสวยอย่างไรสิ่งที่ให้เสวยนั้นคืออะไรเป็นมาจากไหนมีพระองค์ทรงทราบตลอดทั่วถึงคาว่าความทุกข์ความเดือดร้อนเย็นตกนรกไอเวจี G, ในหลุมต่างๆ เป็นมาจากอะไรก็ทรงทราบว่าเป็นมาจากวิบากกรรมของผู้สร้างผู้ทาใช่เองนะไม่มีใครจะแยกแยะให้เป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากผู้ธรรมเท่านั้นเป็นผู้สวยจะแยกให้ผู้ใดก็ไม่ได้ไม่เป็นไม่ใช่ฐานะจะมีในรับวิบากกรรมมากน้อยเพียงไรก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองและสะตัตตะ ละลาละลานี้มีจํานวนมากขนาดไหนที่กองกันอยู่ในอกองทุกความทรมานทั้งหลายทั่วดแดนโลกธาตุซึ่งพวกเราทั้งหลายมองไม่เห็นเลยนั้นมีจํานวนมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นไปเสียโดยประการทั้งปวงจงเรียกว่าโล ก, กวิทูหรืออาโลโกุกปาลิสว่างจ้าอยู่หมดทั้งพระไทยก็สว่างจ้าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ ประกาศจางวานอยู่ด้วยความมีอยู่ของตนไม่มีความลี้ลับจึงเข้ากันได้สนิทกับพระยานที่ทรงอย่างทราบนั้นนั่นแหละที่นำมาสั่งสอนโลกอย่างเต็มพระไทถ่พูดถึงเรื่องความสุขตั้งแต่ความสุขพื้นพื้นก็ไม่พ้นจากวิบากกรรมของสัตว์ผู้นั้นเป็นผู้ทําท l f เองแ e l เองนั่นแหละจนกระทั่งถึงมิมุดหยุดพ้นในคาว่าบร ม, มสุขเทียบกันกับ มหันตทุกพระองค์ก็ทรงได้สัตว์ได้ส่วนมีน้ำหนักเท่ากันเรื่องโทษก็ถึงพระไทยเรื่องบรมมะสุขพระองค์ก็ทรงไว้แล้วด้วยความถึงพระไท่ไม่มีอันใดบกท่องเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์ใน <c oughs> ภูมิใดกำเนิดใดที่ พอมีทางที่จะรับพระโอวาสของพระพุทธเจ้าหรือการสงเคราะห์อของพระองค์ได้พระองค์ทรงพระเมตตาสงสารสงเคราะห์ตลอดทั่วถึงไปหมดเพราะฉะนั้นงานของพระพุทธเจ้าจึงเป็นงานที่หนักมากไม่มีโลกใดผู้ใดที่สามารถที่จะบำเพ็ญหรือทรงบำดำเนินได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราเพราะความรู้ก็ไม่เหมือนความสามารถก็ไม่มี อุบายวิธีการที่จะแนะนําสั่งสอนก็ไม่รู้ส่วนพระองค์เองพร้อมกันทั้งหมดไม่มีอะไรบกพร่องนี่คือาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นรากเงาเข้ามูลแห่งธรรมทั้งหลายที่จะประกาศตำวันให้โลกทั้งหลายได้รากตัวกันด้วยมาไม่ได้ออกจากที่ไหน พอจากพระไทยที่ทรงไว้แล้วซึ่งทำล้วนนไม่มีสิ่งใดเข้าเจอือปนเลยเวลาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกเรื่องทรงสั่งสอนด้วยความแจ้งชัดตัดบนทินทั้งหลายออกโดยว่ามีสิ่งใดมัวหมองพอให้สัตว์ทั้งหลายได้สงสัยในพระโอวาสนั่นเลยแยกมาเรื่องการมาสอนมนุษย์เรา ก็แยกประเภทแห่งธรรมทั้งหลายที่ทรงรู้ทรงเห็นให้พอเหมาะพอดีกับสมมุตินิยมที่โลกทั้งหลายจะพอเข้า อ, อกเข้าใจได้เป็นท่อยเป็นคำเหมือนอย่างที่ท่านประกาศกังวานมาในครัง้งพุทธกาลแล้วในจุดจะลึกมานี้นี่เป็นท้อยเป็นคำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เหมือนที่สอนพวกจัดประเภทต่างๆ ท, ที่ละเอียดยิ่งกว่านี้ ซึ่งไม่มีประโยคนั้นประโยคนี้ผู้เป็นเข้าผู้รู้เข้าผู้เกี่ยวข้องรู้เองเห็นเองเป็นเองระหว่างใจกับใจที่สัมผัสสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสัตว์ทั้งหลาย อ, อกต่างคนต่างสัตว์ก็รับเองเนี่ยแต่มาสอนมนุษย์จะสอนอย่างนั้นไม่ได้ต้องสอนเป็นพ้อยเป็นความเพราะมนุษย์นี้เป็นเป็นสัตว์ที่หยาบ ก, <c oughs> การทำเห็นอยู่ด้วยตาการพูดและยินอยู่ด้วยหู กิริยาแสดงออกทุกแง่ทุกมุมปิดหูปิดตาซึ่งกันและกันไม่ได้นี่นอกจากหัวใจที่เป็นความคิดความปรุงต่างๆทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันไปส่วนมากมีแต่ชั่วเป็นอยู่ภายในจิตใจอันนี้ไม่อาจทราบได้แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบโดยตลอดตัวถึงการแนะนำสั่งสอนสัตวโลก ม, มีมนุษย์ของเราเป็นสำคัญแนะนาสั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วย ประกาศศาสนามาตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งวันปรนิพานก็เป็นเวลาสี่ห้าปีมีสอนทุกขั้นทุกภูมิของสัตว์โลกยกมนุษย์เป็นต้นเหตุหรือยกมนุษย์เป็นหลักฐานยืนยันที่จะรับยอมรับศาสนาโดยความเปิดเผยมีพวกเราทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่าภิกษุปริษัทในเข้ามาบวชในพุทธศาสนาตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นแต่การปฏิบัติของนัก บ, บวชเราไม่สามารถที่จะทรงมรรคทรงผลได้ตั้งแต่ขั้นศีลบริสุทธิ์สมาธิมีความสงบเย็นใจขึ้นไปโดยลงดับจนกระทั่งนักผลนิพพานไม่ได้มีทำบุส่วนใดเข้ามา แท่เสิงพณยจิตใจให้เป็นเจ้าของสมบัติของธรรมนั้นๆบ้างเลยนี้รู้สึกว่าพูดอะไรก็พูดไม่ถูกเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติคือนักบวชแล้วก็เป็นนักปฏิบัติอย่างเรา เ, ราเราท่านท่านที่นั่งฟังกันอยู่เวลรนี้ไม่สามารถที่จะได้ครองสมบัติทั้งหลายเหล่านี้บ้างเลยแล้วก็รู้สึกว่าพวกเรานี่มันยาบเสียเหลือประมาณ เหตุของเรานั่นแหละที่พาให้หยากคงเป็นความขี้เกียจขี้คลานความท้อถอยน้อยใจความไม่เอาไหนเป็นเครื่องทับถมมรรคผลทั้งหลายที่พึงจะได้จะถึงเสียมากต่อมากในวันคืนหนึ่งหนึ่งอิริยาบถหนึ่งหนึ่งมากจะมีแต่สิ่งเหล่านี้ปกปิดกำ บ, บังไว้เสียจนไม่ทํำไม่ได้เย็บเย็บเย็บเย็บเลยแต่ยยพูดถึงเรื่องสมาธิก็หาความสงบเีย็นใจไม่ได้แม้แต่น้อย ทั้งๆ ท, ที่ทำประกาศตังวานอยู่ว่าสมาธิเป็นอย่างไรคําสอนเป็นคําสอนที่แน่แน่ตอกความเป็นสมาธิของผู้บําเพ็ญแล้วเราบําเพ็ญสมาธิเป็นอย่างไรทุกวันนี้จิตสงบบ้างไหมเพราะอะไรมันจึงไ ม, สม่สงบนี่สิสําคัญแล้วทําไมเพราะอะไยจรึงไ ม, สม่สงบก็พเพราะกิเลสมันก่อมันกวนดุ้งอยู่ตลอดเวลาบีบบังคับให้เป็นอย่างนั้นให้คิดอย่างนี้ให้ตุ้มเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจะนําผลเป็นมักว่าเป็นอัดเป็นธรรมมาจากที่ไหนพอให้ใจของเราได้รับความร่มเย็นนี้ไม่ได้นี่รังใหญ่อยู่ตรงนี้เราปฏิบัติศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาที่ทรงเมตตทรงมักทรงผลโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนที่สุดแห่งธรรมไม่มีอะไรบกพร่องแต่เราปฏิบัติทำไมจึงปฏิบัติเพื่อความบกพร่อง เสียทุกสิ่งทุกอย่างการรักษาตัวนี่รักษาประเภทไหนการบําเพ็ญตนบําเพ็ญประเภทใดผลที่จะเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญตามแนวทางของธรรมที่สอนไว้จึงไม่ปรากฏสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้กําจัดป่าเต่าให้ห่างไกลาจากใจของเราออกไปโดยลําดับลาดาแต่ทําไมมันกลับกลายเป็นที่ซ่องสุมของธรรมของกิเลสในหัวใจตรงนี้กลายเป็นทางกิเลสไปทั้งหมด คำว่าสมาธิคำว่าปัญญาวิมุตต์ปวพ้นไม่มีเลยในยหัวใจนี้มันเกินไปนักบวชเราพิจารณาตัดสินใจเจ้าของพิสูจน์เจ้าของให้ดีเราอยากกินไปวันหนึ่งว่านอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งไปวันนั้นวันนี้เอามาเป็นมากเป็นผลไม่ได้ถ้าม่ใจ่ความเพียรเพราะกิเลสไม่ใช่มืดกับแจ้งไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลส เ, เ, เป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของสัตว์อย่างน้อยทําลายให้ หาความสงบไม่ได้มากกว่านั้นทรมานบีบคั้นเอาจนกระทั่งถึงทุกข์จนถึงเปนบ้าไปเลยมีมากเพราะอํานาจของกิเลสนี่มันไม่ใช่วันคือเดือนปีกิเลสเป็นกิเลสมันอยู่ที่จิตของเราการระงับดับกิเลสล้วดับด้วยวิธีใดแก้ไขกันด้วยวิธีใดจิตใจมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวเรื่องของกิเลสนั้นออกง่ายๆออกง่ายๆเพื่อหาผลประโยชน์สําหรับมันเองแต่ทำนันออกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไร ทั้งทั้งที่เราก็เป็นนักปฏิบัติอยู่นี่ครูบาอาจารย์หรืออัตธรรมท่านก็แนะนําสั่งสอนไม่โดยถูกต้องหาที่สงสัยไม่ได้แล้วมันบกพร่องที่ตรงไหนถ้าไม่บกพร่องที่ตัวของเราจะไปบกพร่องที่ตรงไหนนี่สิสําคัญเป็นปัญหาที่เราจะควรคิดให้มากให้หนักแน่นเข้าไปในทางความภาคเปียนไม่อย่างนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดนะเราเห็นว่าอะไรจะเจริญเวลานี้ที่โลกไม่ว่าโลกไหนอยู่กันเวลานี้ เมืองไหนประเทศใดก็ตามคำว่าโลกเอาวหมายถึงโลกมนุษย์เราตอนนี้พอให้แคบๆอย่าเอากว้างขวางมากมายเลยแล้วโลกไหนที่ว่าเป็นโลกที่เจริญรุ่งเรือง ม, มีความสงบร่มเย็นมันมีโลกไหนถ้าไม่มีธรรมก็แทรกแล้วโลกไหนก็โลกเถอะมันเป็นปืนเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นทุกชาติชั้นวรรณะฐานะสูงต่าไม่มีอะไรใครล่ใดที่จะขึ้นอยู่เหนืออำนาจของ ความเป็นฟืนเป็นไฟที่เกิดจากกิเลสเป็นผู้ปกครองนี้ได้เลยเพราะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นเช่นอย่างใจของเรามันรุ่มร้อนอะไรมาทําให้รุ่มร้อนบินฟ้าอากาศไม่ได้ทําคนให้รุ่มร้อนเพราะนั้นไม่ใช่กิเลสแต่มันทําความรุ่มร้อนสําหรับในตัวของเรานี่เองไม่รู้จักวิธีรักษาแต่วิธีส่งเสริมขึ้นนั้นพอตัวพอตัวคล่องไม่มีอะไรตามทันแหละนี่แหละที่ทําให้จิตเกิด ความพุ่นวายหาความสงบไม่ได้นี่นักบวชเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้อย่าเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายน่ะไม่มีนี่ก็เคยเป็นมาแล้วไม่ใช่โอ้วดที่ท้าทายเป็นมาแล้วร้อนจนเป็นปืนเป็นไปจะเป็นจะตายก็เพราะอำนาจของกิเลสก็เคยเป็นมาแล้วและเคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเต็มหัวใจไม่ได้เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อเป็นข้าติทุกสิ่งทุกอย่างสมกับว่าเราเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนนั่นเอง เวลากิเลตมันแสดงฤทธิดเดชของมันขึ้นมาเป็นยังไงทำนี่ไม่ทราบหายหน้าไปไหนหมดไม่มีเหลือภายในใจเมื่อยแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนถ้าจะหลับก็นี่บหนึ่งเท่านั้นพอระงับฟืนไฟพอตื่นขึ้นมาก็เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่ตลอดนี่อำนาจของกิเลตเราไม่เข็ดไม่หลับมันที่หัวใจเราเราจะไปเข็ดไปหลับที่ตรงไหนมีสิ่งสําคัญมันอยู่ที่หัวใจเรา แล้วทําไมการระ ง, งับดับสิ่งเหล่านี้มันทําไมระ ง, งับไม่ได้สติเป็นของสําคัญมากนะในภาคปฏิบัติแล้วถ้าจะทําให้สติมีความเหนียวแน่นมั่นคงตั้งระง่ายขึ้นไปก็ต้องหาอุบายวิธีการที่จะระ ง, งับดับมันจนได้เชลื่นร่างกายเรเคยพูดแล้วว่ามันมีกําลังมากนี่ยิ่งเนตตัวนี้คึกขนองมากนะตัวราคาตันหายิ่งสําคัญมากที่สุดอาศัยร่างกายที่มีกําลังบังชานี่แนะ่ะมันดีดมันดิ้นได้ง่าย บังคับไม่อยู่เพราะตั้งสติพับตกผ้อยตกผ้อยตกผ้อยอย่างนั้นเลยไม่ทราบว่าตั้งสติเป็นยังไงคิดเรื่องปัญญาเป็นยังไงมันมีแต่กิเลสเอาไปใช้ไปใชยย้ทั้งหมดพอแยกออกมากิเลสเอาไปใช้แล้วเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นหมดทำว่าเครื่องมือของธรรมคือสติคือปัญญาจะฆ่ากิเลสไม่ปรากฏเลยนี่เวลามันมีกําลังมากมันมีอย่างนั้นมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนักปฏิบัติไม่รู้จุดนี้จะไปแก้กิเลสได้อย่างไร ต้องรู้จุดที่ควรแก้ซะก่อนแล้วอุบายวิธีการใดที่ควรจะแก้จะปวดเปื้อนมันเราต้องเลยเสาะได้แสวงหามาเอาจนกระทั่งจะเป็นจะตายก็เคยมาแล้วนี่หาเหตุถาผลหาเรื่องฮาราเพื่อแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบมันให้อยู่ในเงื้อมือจึงต้องเลยใช้สติปัญญาทุกแง่ทุกมุมอุบายวิธีการต่างๆจนกระทั่งร่างกายจะเป็นจะตายก็ต้องเลยยอมรับกันเพื่อละกิเลสเพื่อระงับกิเลสตัวมัน เป็นฟืนเงินไฟให้สงบตัวลงพอประมาณหรือพออยู่ได้ยิงต้องได้ทําหลายแง่หลายทางสตินี้จะวิธีใดก็ตามต้องตั้งเสมอตั้งสตินี้เป็นภาระชาจะพูดถึงแบบโลกโลกแล้วหนักมากทีเดียวตั้งจนกระทั่งไม่มีเวลาให้มันเคลื่อนได้ไปไหนเลยนักทุกก็ทุกเป็นก็เป็นตายก็ตายเราตั้งสติเพื่อมากเพื่อผลเพื่อความสงบสุขเย็นใจแต่แต่อเราไม่ใช่เป็นความเสียหายเอาตั้งลงไป เ, เคยตั้งแล้วนี่ เราเคยได้ผลมาแล้วด้วยจึงแนะนําอุบายวิธีการนี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วอย่าอยู่ ล, ยลอยๆไปเฉยการตั้งสติเราถือว่าเป็นความลําบากลําบนการปล่อยให้เป็นประจามกิเลสนั้นเป็นยังไงผลตองมันเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เป็นยังไงเลือดเลืออะไรบ้างไม่มีอะไรเลิอดเลือเลยอยูก็อยู่ไปอย่างนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งหาหลักหาเกณฑ์นในใจมาได้เป็นยังไงนะักปฏิบัติเรามันไม่เร็วจนเกินเร็วแล้วเหรอให้ถามตัวเองยจะให้คนอื่นถามเรื่องอย่างนี้ถามตัวเองเพื่อจะได้ แก้ไขดัดแปลงมันอย่างน้อยดัดแปลงนอกกว่านั้นฟาดกันให้มันเต็มเหนียว น, นั่นเอากิเลสไม่ตายเราตายเท่านั้นนั่นเมื่อตั้งปัญหาถามตัวถูกจุดที่สำคัญของกิเลสที่ควรจะฟัดกันแล้วมันจะอยู่ไม่ได้เรื่องจิตใจเนี่ยกําลังขึ้นมาเองทีเดียวตั้งปัญหาก็ตั้งด้วยความเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งด้วแบบโลกๆแบบกิแบบเลสพาตั้งนี้นะเราตั้งปัญหาขึ้นถามจ้วยความเพื่อจะฆ่ากิเลสตรงไหนที่มันสะดุด ในหัวใจกึกตรงนั้นแหละเป็นตรงเป็นจุดที่เราจับได้แล้วที่จะฟาดฟันทันแหลกกับกิเลสเป็นก็เป็นตายก็ตายมันต้องฟาดกันเลยทีเดียวนั่นนี่ละจิตมันถึงจะมีความสงบได้แต่จังมากก็เคยพูดให้ฟังแล้ววิธีกรรมาฐานแต่เราเรียนตั้งแต่ปริยัติเดียนเฉยๆมันมันไม่รู้วิธีทำหนาไม่ใช่ประมาถทถ้าปริยัตินะ ท่านบอกไว้โดยถูกต้องแต่เราที่นํามาปฏิบัติที่มันไม่ถูกแล้สิมันไม่รู้จักวิวธีปฏิบัติจึงต้องอาศัยครูอาศัยอาจารย์ผู้ท่านพาดาเนินแล้ววิธีปฏิบัตินี้เป็นวิธีทดสอบกันให้เลยเหตุได้ผลกันที่ตรงนี้แล้ววิธีใดที่จิตจะสงบได้หามาสิมันทํำไมมันสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบไม่ได้ต้องทําวิธีนี้ต้องเอาเด็ดลงไปหนักลงไปทุกที นั่นแหะที่ว่าผู้ที่จะเอาตัวให้รอดให้ได้ผลได้ประโยชน์ได้ครองอัดครองทำตั้งแต่สมาธิทำขึ้นไปถึงมีมูดุดพลต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังทำเ ล, ลๆๆๆๆนะ่่่่ออ่่่่่่่่่่่่น่น่่ออ่่อ่่่่มม่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่เพียงเราตัวเ่่าหนูน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นตายมาในก่รแนะ ok ่ํา่่่่่่่่่่่่่่อ่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะมัน ถึงขั้นมันผ่าผลมันเอาจังจริงมันจะเป็นจะตายจริงๆนั่นมันถึงได้เห็นไปเหตุเห็นผลกันนั่นแหละจึงว่าขึ้นเวทีก็รู้กันในการปฏิบตัติเพียงเราเรียนมาจดจํามาเฉยๆไม่ได้เป็นภาคปฏิบตัตินี้ยังไงท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านนั่นแหละกิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปกิกเรียนจังต้องตั้งแต่ สมาธิถึงขั้นปัญญาปัญญาขั้นไหนก็ตามจนกทั่งวิมุตติบุดพ้นมันก็จําได้ตตแต่ชื่อตั้งแต่ที่สมาธิว่าชื่อปัญญาที่อวิมุตติบุตพ้นแต่กิเลสเต็มหัวใจเรามันได้แต่ชื่อของกิเลสมันได้แต่ชื่อของอัตของธรรมอัตธรรมจริงไม่ได้ครองในหัวใจด้วยการจดจานั้นเลยนี่เพราะฉะนั้นจึงนําการจดจาที่ภาคปริยัติออกเป็นภาคปฏิบัติ ท, ท่านจึงเรียกว่าปริยัติปฏิบัตินำออกมาพี่คายขยายลงไปเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปรงเยอะแยะเต็มห้อง บ้านห้องเรือนมันก็เป็นแต่แปลนเท่านั้นแหละเมื่อนําออกไปขีค่คาขยายออกไปปลูกบ้านปลูกเรือนตามแบบแปนแผนผังนั้นแล้วก็สําเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมานี่เราเอาไปขี่คาขยายออกในภาคปฏิบัติเอาวิธีการใดที่จิตใจจะรับความสงบเย็นใจนี่เป็นภาคปฏิบัติทําลงไปในจุดนั้นจุดนั้นในวิธีการนั้นนั้ น, น, นเพราะฉะนั้นจึงต้องรับความลําบากอดหลับอดนอนพรอนอาหารอนั่ง นั่งก็นั่งเพื่อภาวนานั่งท่าต่อสู้เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนนั่งนานมันก็ต้องเหนื่อยยืนนานต้องเหนื่อยเดินนานต้องเหนื่อยนั่งนานต้องก็ก็เหนื่อยนอดหลับอดนอนก็ต้องเน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้านตลอดถึงผ่อนอาหารอวดอาหารมีได้เรื่องเหนื่อยเรื่องเพียเรื่องจะเป็นจับตาทั้งนั้นถ้าพูดถึงทางท่าต่างขันแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงผลที่เรามุ่งหวังจริงๆคือฝุกทรมานร่างกายนี้เพื่อ ดังนั้ดับที่เลสมีราคาตันหาเป็นสาคัญที่มันแทรกอยู่ภายในนันนี้มีกําลังมากแล้วมันดีดมันดิ้นให้ตั้งสติไม่อยู่นี่เวลาเราลดเราผ่อนลงไปเพื่อกําลังทางส่วนร่างกายนี้อ่อนเพื่อให้สติตั้งขึ้นได้เป็นยังไงสติของเราดูใช่ต้องดูอย่างนั้นคิดอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นผู้ปฏิบัติอย่ามาท้อถอยอ่อนแอไม่ได้แนละ้วตายทิ้งเปล่าๆนะไอ้ฆ่าตาย ไม่มีมากมีผลติดตัวบ้างเลยแม้แต่ความสงบไม่มีนี้เราไม่อยากไปกุศลาให้นะเพราะสอนเวลานี้สอนกุศลาคือเพื่อความฉลาดของผู้ฟังนั่นเองกุศลาธรรมาแปลว่าอะไรทำที่ยังบุคคลให้ฉลาดเวลานี้เราโง่หรือเราฉลาดพิจารณาเราตัวของเราดิผู้สอนนี่ก็สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่เง่าต่าตุนเพื่อความไม่เอาไหนนี่เหตุใดผลมันจึงมีแต่ไม่เอาไหนไม่เอาไหนด้วยทั้งนั้นเป็นยังไงอันนี้ที่น่าทุเลตนะ วิธีการปฏิบัตินี้แหละเป็นวิธีการที่เหมาะที่สุดที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นทิศถึงทิศถึงถึงซึงงง่ง ก, กันและกันในเรื่องระหว่างที่เด็กกับทำถ้าไม่ไม่มีภาคปฏิบัติแล้วไม่ว่าท่านบ้าเราแหละทำลาบตําราก็มีเต็มตู้เต็มเหตุอยู่นั้น่ะแต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชเพราะไม่นํามาใช้เหมือนอย่างศาสตราอาวุธมันมีกองเท่าภูเขามันก็กองเท่าภูเขาอยู่เฉยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเมื่อไม่นํามามาใช้นี่ก็เหมือนกันเราเรียนมามากน้อยมัน ก็มีอยู่ในความจำด้วความจําใครก็จําได้เรียนทางโลกก็ตามทางธรรมก็ถามมันจําได้ด้วยกันนั่นแหละทางโลกก็เรียนเฉยเฉยไม่มีภาคปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ทางธรรมกมีแต่เรียนเฉยเฉยจำได้ชื่อนามของกิเลสบาปธรรมทั้งหลายมันก็จําได้เพียงเท่านั้นกิเลสไม่ถะเลาปกเปิกมันเกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นท่านถึงเน้นให้มีปฏิบัตินั่นปริยตัติปฏิบัตินี่เมื่อมีปฏิบัติดังที่กล่าวมาแล้วนี้เดียกว่าขึ้นเวที ฟาดกับกิเลสด้วยวิธีการต่างๆแล้วปฏิเวทะคือความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจจะค่อยปรากฏขึ้นไปปรากฏขึ้นไปจนกระทั่งปฏิเวทนี้รู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเลยบรรดากิเลสนี้ผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดนั่นเรียกว่าปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงทะลุอืมนี่แทงไปไม่ทะลุก็แทงไปแทงไปอยู่ทุกวันทุกวันไม่หยุดไม่ถอเดี๋ยวมันก็ทะลุเองนี่เลยมันจะหนมามัน ยิ่งกว่าภูเขาไปไหนวะมันอยู่ในหัวใจในหัวใจขนาดไหนเจริญขนาดนั้นทําก็ขนาดนั้นอยู่เรืยอกันฟัดกันทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องอัดเรื่องธรรมยิ่งไสารหมูห่สอ น, สอนเพื่อนมามันนานแสนนานแล้ว น, นะมันเป็นยังไงผลประโยชน์ที่ควรจะได้มันไม่ได้ไม่เห็นนี่แม่มันเหมือนคำว่าศาสนานี่เป็นกระดาษเศษดีเฉยน่ะเอ้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับมีแตล่ลมปากเฉยไม่เห็นมี อาจมีทำอะไรเข้ามาพอที่ชโลมหัวใจของบรรดาลูกศิลป์ลูกหาให้เดยมีความสงบร่มเย็นให้มีเกียรใจในการรมาปฏิบัติอะไรบ้างเลยนี่มันเป็นยังไงเวลานี้ศาสนาจะมีแต่เศษกระดาษแล้เหรอมีแต่ไปอยู่ในตู้ใ น, นหีบในคกำไพเวลามจะไม่มีอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติบ้างเหรือเป็นยังไงอืคำว่าศีลว่งสมาธิว่าปัญญาอันเป็นความจริงอันเป็นตัวจริงนั่นมันไม่มีหรือผู้ทีเจ้าสอนเข้ามาในหัวใจนี้แต่แท้สมาธิเนี่ยความสงบใครสงบถ้าไม่ใช่ใจสงบจะเป็นอะไรสงบ ปัญญาใครฉลาดใจไม่ฉลาดอะไรจะฉลาดหรือมุดบุดพ้นบุดที่ใจเพราะใจเป็นผู้ติดผูกข้องนี่มันก็อยู่ที่ตรงนี้สอนก็ามาตรงนี้นะปริยัตทั้งหมดถ้าไม่สอนไปต้นไม้ภูเขาเลยแม้แต่ อ, อยู่ในตู้ก็ไม่ได้สอนตู้อยู่ในหีบไม่ได้สอนหีบอยู่ในบานลานก็ไม่ได้สอนบาลานสอนหัวใจของชาวพุทธเราผู้สนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตามนั้นเพราะกิเลสมันอยู่ที่หัวใจ ไม่อยู่ที่ตู้ที่หีบที่ัมภีแบในลานอะไรที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตวโลกคือหัวใจเรานี่เลยดูที่ท่านเรียนมาจามาบ้านยังไงเอ า, เามาซองดูนี่สิมันจะเห็นตัวจริงมันอยู่ที่นี่ที่นี่หมดเมื่อควรจะได้คลองแล้วทำใดจะเป็นขึ้นมาภายในจิตใจไม่เคยรู้ก็กเถอะถ้าลงเล่นนาทาพรเจ้าเขาจับเขาไปจับเขาไปแล้วจิตไม่เคยสงบก็สงบนะปัญญาไม่ไม่เคยมี ทำใหเกิดปัญญาทำไมเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าภาษาก็ทั้งหลายท่านเกิดได้โดยเหตุผลกลไกอะไรนีเราก็ดําเนินในทางเดียวกันทำไมมันจะไม่เป็นนอกจากไม่ทำเท่านั้นเองปัญญาประเภทใดก็าตามจนกระทั่งวิมุตติพ้นสอนลงที่ใจนี้ทั้งนั้นทําไมมันถึงไม่รู้ไม่เห็นเราก็บวชมาก็นานมาปฏิบัติมาอยู่กับครูบราอาจารย์ก็อยู่ไปเฉยไเฉยมันได้เรื่องอะไรทำมาเป็นของคือของลราสมัยถึงขนาดนั้นเท่าเหลือ ได้รู้ไหมว่ากิเลสมันกล่อมขนาดไหนว่าทําเป็นของคือของราสมัยเป็นของทําสมัยตยั้งแต่กิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงติดถึงพันร่างหนาไม่มีวันจืดจางเลยถ้าว่าทําเป็นพอที่จะคือพอที่จะทันสมัยบ้างฟิตขึ้นมาที่ถ้าเห็นว่าศาสนาเป็นศาสดาทําเป็นธรรมแล้วนํามาประยุกต์กันเทกับกิเลสฆ่ากันสังหารกันที่ทําไมมันจะเป็นไปไม่ได้ผลที่ที่ควรจะได้รับมีอยู่จากมีอยู่กับธรรมนั่นแท้เอาสติธรรมวิริยะธรรมเป็นของสาคัญสติกับปัญญาแยกไม่ออกนะ ถ้ความเพียรตั้งแต่เพิ่งพื้อนสติเป็นสาคัญมากนั่งตลอดเลยไม่ได้มีการสถานที่เวลาเวลาที่จะไม่ตั้งสติเพราะกิเลสมันมีอยู่ในนั้นตลอดพอสติเบาลางไปกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วนั่นพอพอสติห่างนิดนึงกิเลสออกแล้วไม่ทันแล้วแล้วสติหมดไปเหมือนกับว่าตายแล้วมาพูดยังไงกิเลสหยาบแหลกหมดเลยเป็นย่ัง ไ, ไ, ไง ของเราเป็นยังไงเวลาเนี่ยทําความผลาความเพียนหาอุบายวิธีการต่างๆพิกแพงแต่งแต่งหลายสรรพันคมกีจการปฏิบัติต่อที่เด็ดต่อที่เด็ดหรือเรียกว่าความผลาความเพียนเพราะทําสอนคนให้ฉลาดฉลาดให้ฉลาดเหนือความโมง่ตัวเองที่อยู่มีที่เด็ดครอบอยู่นั่นแหะที่เด็ดนั้นละพายคนโง่แต่ที่เด็ดมันฉลาดเราจึงต้องอาศัยทำจึงเป็นของฉลาดฟัดลงไปช้าลงไปล้างลงไปให้กระจายไปภายาจิตใจนั่นสิ คำว่มามรผลนีพ่พานกับข้างพุทธการกับข้างนี้ผิดที่หัวใจนี่ไปตรงไหนอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ํามีจอกมีแหนบปกคุมอยู่เทานั้นข้งนั้นก็ถ้าลงจอกแหนบ ป, ปกคลุมหุ้มน้ําไปแล้วน้ําก็ไม่มองไม่เห็นครั้งนี้ก็เหมือนกันเมื่อจอกแหนบปกคลุมไปแล้วน้ําก็มองไม่เห็นน้ําคือธรรมจอกแหนบคือขี้เลศเปิดออกสิเปิดออกเปิดออกสิพระพุทธเจ้าขั้นก็เปิดออกงั้นเปิดด้วยความเปลี่ยนเปิดด้วยวิธีการของธรรม เนี่ยสาวกทั้งหลายทั้งก็เปิดออกเปิดออ ก, ออกแล้วก็นํามาเปิดวิธีการแห่งความเพียรทั้งหลายคือเป็นการเปิดจอกเปิดแหนออกจากหัวใจของเราเนี่ยแล้วน้ําอยู่ที่ไหนนั่นก็อยู่ใต้จอกใต้แหนะจอกต่อแหนะปกคลุมอยู่มันไปอยู่ในทวีปไหนทำนะทนท่านไปอยู่ในทวีปไหนนันก็อยู่ในหัวใจของเรานี่แต่เป็นกิเลสมันปกคลุมไม่เท่านั้นจึงมองไม่เห็นแล้วเลยให้กิเลสมันหลอกใช่ว่า ชาติทำนี่เป็นของคือของราสมัยมากผลนิพพานไม่มีไม่มีมันจะมีอะไรให้มีแต่กิเลสเหยียบหม้คนอยู่นั่นเรามันได้เห็นโทษของกิเลสมันทันสมัยหรือไม่ทันสมัยเรื่องกิเลสเราไม่ได้เห็นโทษของมันเลยมีแต่ค้อยตามมันคล้อยตามมันหลงตามมันเทินตามมันโลกนี้โลกเทินไปตามกิเลสแล้วที่ไหนมันมีความเจริญดูสิดูตามหลักความจริงดูไม่ลำเอียงเห็นตามหลักความจริงดังธรรมที่ท่านสอนเอาไว้ มีจ้อยในทรงอะไรเลยนี่ทําไงมีแต่ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีไม่อดไม่อยากอัรทำที่เป็นของล้นค่าภายในจิตใจซึ่งควรจะได้จะถึงมันไม่มีนี่จะทำยังไงมีก็นานนานตั้งแต่กลับจากกรุงเทพมาแล้วรู้สึกว่าลุ้มไม่ไเท่ดิสเท่ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เท่เพความเหนื่อยนั่นเองขาดขันไม่อํานวยเทศแต่หลงหน้าหลงหลัง ตามาธรมรมดาแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นให้ท่านทั้งหลายเห็นแล้วก็ัสูสินี่ก็จะไม่ได้อยู่ถึงจะลาบากขนาดไหนก็ต้องถูถายลงมาเพื่อให้หมูกเพื่อนได้ยินได้ฟังการอปฏิบัติยานอนใจนะพระหนึ่งมาพระพุทธเจ้ากลังวานอยู่ในหัวใจของเรานะด้วย ความภาคเปลี่ยนของเราจะเป็นแง่ใดมุมใดก็ตามนั่นแหละสัจดาอยู่ตรงนั้นเพราะทําทอยู่ตรงนั้นทําไปดวงใจสัสดาไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาแทนทำท่านแทนครว่าอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ก็เป็นเรื่องของของท่านเรื่องของเราที่จะระมัดระวังรักษาตัวเพื่ออเพื่อทำให้มีความเข้มงวดกวดขันเป็นอากาลิโกยามีที่แจ้งที่รับมีความแน่นหนา ม, มั่นคงต่อการชําระสสารจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือผู้เชื่อ อัดเชื่อธรรมเชี่ยวบุญเชื่อบาปซึ่งมันมีอยู่ในหัวใจของเราเดี๋ไปเต้นมากันเหนื่อยอย่างว่าละอะละพอตอนนี้อะไรอะไรผมก็สอนหมู่เพื่อนหมดแล้วครไม่ทราบจให้สอนว่าไงเกี่ยวกับสิ่งภายนอกหรือสิ่งเกี่ยวข้องสิ่งแวดล้อมต่างๆก็สอนหมดแล้วไม่ท้าบจให้สอนไงเที่ยงมะนะมันเหนื่อ ย, อยแล้ว อันที่เจยเกลียดยัก้อยเป็นเป็นบังคับไม่เป็นประจามอะไมันไม่ได้เพื่อนมันก็มันจะเป็นเป็นชาเป็นเรือเป็นอะไรมันก็เป็นแบงค์มันเองจะเไปไดแปมักันเลยนี่เวลาเราไม่อยู่ก็มีหัวหน้าอยู่นะมีธรรมมีวินัยด้วยมีผู้เป็นหัวหน้าอยู่ด้วยมัทนางตัวไม่ได้นะก็ถ้าจับได้แล้วจะไงก็ไม่ได้อยู่บ้องกง เขาสอนที่สอนเต็มเม็ดเต็มหน่อยสอนเต็มพุงแล้วเรื่องนั้นเรื่องหยาบหยาบเห็นไม่ได้วางนันเลยออกทันทีอยู่ไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้กับการแนะนําสั่งสอนที่สอนทุ่มลงมาเต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีอะไรเสียดายเลยเรากําลังวางชาเรามีขนาดไหนแล้วก็ทุ่มลงเพื่อหมู่เพื่อคนะผลเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นมานี่โอ้ไม่ได้เลยนะนี่เข็ด ต้งเขียนี่เข็ดมาแล้วก็เคยพูดกันหูเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ของอาจารย์แล้วเพื่ให้ท่านเป็นความผาสุเกเย็นใจไม่มีอะไรไปกระทบกระเทืนท่านนี่ที่ที่เราหนักกับตรงนี้เองคอยควบคุมคอยดูแลสอดส่องหมู่เพื่อนให้เย็นในความสงบเพื่อให้ท่านเป็นลมผโลลมใสรอดสบายเพราะต่างคนต่างมาเองนี่นะ ท่านไม่ได้ขันตีนี่บนที่ไหนมามันม่เองแมาเองไท่านหนักอกหนั ก, น ก, น ก, นกใจไม่ลืมเนี่ยเพราะมันหนักมากอยู่กัหมู่เพื่อนข้งเรามันเป็นเหมือนกับบ่อยกลางเดือนจะว่าอะไรถึงจะว่าเ เ, เหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าของหมู่เพื่อนอย่างลับๆหนึ่งก็ตามแต่มันก็เป็นเหมือนบ่อยของหมู่เพื่อนอย่านี้ฉากเดียวกันนั่นแหละ มันเร็วมันเร็วนี่พระนอุจัดไงเราเหมนเหมืดูด้เห็ น, นมันวมันก็เจ็ดวัดหนองผืนเป็นวัดโด่งลานวัดโลงถึงแม่กว้างมันก็โลง่งเด็กที่ทังกรมพานยิงอยู่ในป่าเพราะมันป่ามันกว้างนะทานยังกลมในป่าป่าุ้กว้าง มันมาทางกรมเราเนี่ยหัวยู่ลึกนะี่นิสัยผมเป็นอย่างนี้ยทําหาคือนิสัยอาภาัพพูดง่ายๆเปลี่ยนอันนัมันมันที่จะมาเดินจงกรมภาวนาอยู่อย่าง เ, เปิดเผยให้หมู่บ้านเห็นนี่ีผมมันไม่ลงใจที่จะทํานะมันไม่สนิทอย่างน้อยไม่สนิทมากกว่านัน้นไม่ลงใจที่จะทำเพราะฉะนันจึงไม่เดินจงกรมให้เห็นให้ใครเห็นง่ายๆนะเป็นยังไงนิสัยแปลกอยู่นะ กางวันเงินหนุนไปอยู่ในป่าเงียบเลยมีคนเดียวลึกๆตอนเย็นๆมือเพื่อนเดินยังกรมตอนห้าโมงเพื่อนเดินยังกมเพราะมันวัดมันโลกงเราเดินยังอยู่ในบริเวณวัดที่โลกมันมองเห็นกันอย่างนี้เราไม่เดินนะแต่เราจะดูเพื่อนเผินกเหมือนว่าผมนี่ไม่ทําความเพียงก็ได้นะถ้าทำเป็นทำเพียรในท่ายังคมอย่างเนี่ยผมไม่ได้มาเดินให้ใครเห็นง่ายๆ มันเหมือนกับว่าผมไม่ทำความเพียรด้วยท่าเดิหนึ่งกมก็ได้มไม่สนิทใจที่จะมาเดินใน ห, หมู่เพื่อนนี่เป็นนิสัยอย่างนั้นห่ะแปลกถ้าอยู่คนเดียวแล้วโอ้โหฟัด็นเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยประนึ่นว่าเดินในคนอยู่ใต้ดินมันเหมาะที่สุดเลยไมใ่ใครเห็นเลยนะันสนุกนี่มันทำไมเป็น น, นิสัย ดูแต่มันต้องคำที่ทางขุนครมมนสิมันมองเห็นลรามันสะดุดตาทันทีอือมันจะเป็นร่องไปเลยไม่ล่องถ้าถ้าเป็นดิน ด, ดีมันก็เลื่อมผับผับผับทางคมดินทิมนเป็นดินดีไม่เดินกันหนักหนักมันจะเป็นอย่างงั้นเรือแต่เดี๋ยมันเห็นแทางคม น, นั่นสิไม่เห็นคนเดินสิกลางคืนฟาดนนิงกี่ชั่วโมงไม่ได้สนใจอ่ะ ประมุขกันขึ้นหมดแล้วเงียบหมดเลยนี้ลงนะนี่ลงนีตเปนนิจใจนี่นี่เราไม่บอกให้ใครเห็นแล้วเราไปประกาศคันภาพเพียงหรือไปเชื่ยวทุ่งกรมฐานเพียงไม่เอาใครไปเป็นไงนิใจของไม่สนใจใครที่ไหนคนเดียวคนเดียวเรียนกรมทั้งวันเนี่ย ขเมอเราเรืยนทางคนเดียวนี่นขาดเมื่อไรความเพียรเรินไปงั้นความเพียรตลอดเล ย, ยกระพังเนื้อก็พังเนื้อ ก, ก็อยู่อยากอยกู่อยากกิงอยากกิงไม่อย ก, กกินกินวันข้างมันไงมันเป็นงนั้นนีไใส่ยงางหวง ม, มันขนาดถ้ามีวันฝุ่ไปมันก็เป็นเหมือนน้ำไหลบา่า มันหลอกคนมาลองยอมมันก็มีสัน ญ, ญาติญาตินเกี่ยวโยงกันไม่ว่าท่านอะไรไปด้วยกันมันทํามห้นหรอกเรื่องนีมันก็ไม่ไม่สนิทใจคืเหลืองคือเวลาเราอยู่เรื่องคือในวันจ้าต้องดูนั่นะพอเดือนมิถุนาเขา ก, กลับมาแม้กลับมาเวลามากาบท่านท่านห่งมี อ, อ, อ, อ, อุบาย เขา่คุันรู้สึกกันแต่เม่อตาอยู่มากสำหรัผมนะไม่คไม่ค่คุยนะคล้ายๆก็รู้อั่นเองธรรมะธรรมดาถ้ามันจะมาพูดการรบผึงใครง่ายเฉยๆธรรมแต่กับเราเน่นจะออกเ้วอยหมหาหมาหลายวันเนี่ยนั่นนี่นะหืหาทศทวอย่างไระนยอย่างัน่หนุ่่างนี้ย่งนันอย่าน ท่านก็รู้ว่าเราไม่เคยชดเปรย์จริงจังขนาดไหนท่านมองดูผมท่นรู้แร้่องนั้นท่านจะกล้าเอาอะไรจะใส่บาตผมหรูอบาตผมของท่านเหมือนน้นผมมันจัดอะไรกับของท่านมันยังรู้เวลามันนั่งจัดนั่นและท่านเอาตอนนั้นน่ะถ้าอยู่ในนู่นท่านก็ไม่เอามีแล้ท่านจะบารีบารีขึ้นเนะท่านมักจะขึ้นบารีนะ เพราะแม่ของฉันมั่งมักจะเกิดเป็นบาเรีขึ้นมาเวลาท่านแปลธาตุปฏิบัติที่กงแนวเลยนะเพราะท่านไม่ระวังศัพท์ระวังแสงใช่ไหมล่ะพวกเรานี่ระวังทั้งศัพท์ทั้งแสงทั้งธาตุที่ัดปัจจัยวาจกลุ่งไปหมดมัเป็นน้อนแทะกระดาษพวกเราใช่ไหมมหาอึฮึในแย่ในแย่ธาตุที่พัดปัจจัยแล้วว่าตัวดีภาษาแย่ต้องภาษาหนังสืออะไรแน่อื กิเลสมันไม่อยู่ในธาตุในรฏิพัทปัจจัยญาติตกต่างๆ ห, หมันกิเลสมันอยู่มีหัวใจนี่มแต่เอาความเป่งเข้าไปใส่หัวกิเลปึงเลยนั่นอันนี้แปให้ถูกทรัพถูกแสงก็ถูกจะสแสแสงที่มันไม่ถูกกิเลกี่เหลเหลัวเราอะไรอผมพูดอย่นี้ถ้าไม่ใช่ผมไม่ถ้าผมไม่เรียนก็จะก็จะว่าผมนี่ดูถูกไปยัดใช่ั้มละ่ะผมไม่ได้ดูถูกผมก็เรียนมาเหมือนกันแน่เ <c> ร <oughs> ื่องเครื่องยืนกันผมเวลาภาคปฏิบัติมันถึงได้เอาไปเทียบกันได้คื ไม่มีภาคฏิบัติเวลาไปเทียบเวลาเรียนอาผลเป็นยังไงก็เอามาพิจารณเลยไม่รัปฏิบัติตผลเป็นยังไงนั่นมันเข้าประยุกต์กันที่เทียบกันได้ทุกษัทุกส่วนเลยมันก็พูดได้เลยทื่ทอไมครูอาจารย์ขึ้นเป็นบาลีผึ่งเลยนะบางทีท่านวันนี้บาลีขึ้นแล้วมันว่างนั่นนะไม่แปลกทำหามา้าก็แปลเนี่ยทำตรกอยู่เรื่องแล้วกับผ ม, มทำหามาก่อนถงแปล่นะ <laughs> พอมาพอมาแล้วบท่านมาลีเริขึ้นปึ๋งเลยอ้าแปดใครเป็นมหาะไรขึ้นกระบอยู่เลยอ่ะแปลใครเป็นหมาล้วก็นิ่งอย่างนนท่านือ้าวมหาโอ้นี่มันคุแมกุจเมืารอมันก็ใส่ปึ๋งเลยนี่เราไ่เคยแฝดท่านยกอะไรมากผมไ่เคยแปดผมแปลได้หุงแปก็จะแปลอย่างของคนว่าเป็นช่าง ผ่านม่ใช่ใช่ไหล่ะทั้งก็ผ่านไปเฉยไม่ใช่ตั้งหน้าตัางตาถามเราแต่สิ่งไหนที่ตั้งใจถามก็บุญเองคนเรานะ่ะอันนี้พูดเป็นทางผ่านเฉยมันก็ผ่านไปกว่าไปเฉยเหมือมนว่าเราเอาเป็นเราเราเป็นบท เ, เ, เ, เ, เป็นบาทที่จะก้าวไปได้น่ ะ, นะท่านมักเป็นบาลีของแม่กุญชันมั่นหลวงอุบายโอ้ยขึ้นด้วยมาเท่นด้วยเนยอุบายบบก็ะบขอกท่านมันเกิดไม่หยุดไม่สิ้นว่านี้นะ่ะ เนี่ยที่ผมยอมรับจริงๆฮึอยู่ที่ไหนมันก็เกิดเช่นว่างี้โอเวลาไม่ได้เปิดแล้วทั้งว่า ม, มันยอมจริงอันนี้ผมไม่มีข้านแะล้ว้ตัวทั้งมูก็ตามมันยอมก็บอกว่ายอมจอืงเวลามันได้เปิดแล้วมันเปิดก็จะเยอะขาพูดให้ใครฟังล่ะนั่นพาอเป็นพัมมันรู้เองคนคนเต็ม น, นั่นแหะรู้เองยอมเองในหลักธรรมชาติหธรรมชาติถ้าไม่รู้จะมาพูดนี่โอ ือพูดได้ยังไงเพราะนอกจากมันยับยยเผเผนันขึ้นใบขึ้นท่านขึ้นบ่อยใบแม่บรีก็ขึ้นอุบายขึ้นมาเป็นภาษาไทยคนนงเป็นภาษาเราเนี่ยมันขึ้นเรืเปยเรื่อยน่ะเป็นเรื่องทาล่ไงดูที่ท่านอยู่ท่าพนมการที่มาจากอุบลผมลืมอะไรนั่นแหละผมไม่ลืมแล้วเป็นเรื่องของท่าน้ พระยวัดกองเจ้าได้ผ้ามาก็ได้ให้พาันไปเยบ็บมันไม่มีจ่าหนักเลยให้ไปเย็บในบ้านเขาพยมลูกศิษย์ท่านนั่นแหละไปเย็บที่บ้านเขาที่ท่าพนมขอนุโมทนาไปพระก็เลยไปเยบ็บท่านก็อยู่วัด น, นี่ต้องที่ธรรมรากือจะเห็นแต่ท่านเห็นนั่ น, นนี่จะว่าไงไะมาพ อ, องคืนต้องกันว่าอะไรว่ตุ่นชาติมา เฮ้อไปเย็บผ้าง่ายกันล่ะวะเอาเอย่างนี้นกขึงขังเลยนะนั่นก็พูดไปฟังเย็ผ้านเป็นอย่งงานงานั้นนันทานงานคนผ่านไปมาร่วงไปหมดนั่นแ่ะทำไมไมาตปิดประตูจะโอ้โหเปิดเอยครับเอยล้านว่าจริ น, นี่คุณ น, น่กัอยอมแลยวยอมนั่งบนวานแล้วมันขันทางเขาผ่านไปมาจี้ควัวไปรุคนควานี่ไป น, นไปนี่เปิดประตูนีเราก็เย็บผ้านี่ไม่มี ไม่รู้ความกี่วันอะยู่นั่นอยู่ในห้องห้องเราแหละแต่มันทางเปิดกันนนมันก็เป็นหน้าต่างให้ยุ่งันมันเห็นนี่อไม่ถูกทั้งว่างนี่เหมือนท่านไปเห็นด้วยตาด้วยแล้วพูดเวลาถามคนนั้นพูด ก, ก็โกงแต่งเลยนั่นะไม่ลงได้ไงอยู่ๆมันก็ว่ามาเมื่อคืนนี้พรอมันมนั่งพิจารณาไปเมื่อคืนนี้มันเป็ออนอย่างนั้นเนี่ยไปเห็นลงมาอย่างนั้นว่ากลว่างนี้เลยนะท่านฟังที่ รถเฉยๆก็ช่างมันว่างเนี่ยจะไปอีกนะนั่นท่นเด็ดขนาดนั้นนะเดี๋ยวก็พอิีมก็นั่งเดิงนีดหน่อยก็เลยเยอะถึงวาดมันไม่มากอะไรนิดหน่อยคือาคำว่ะพราะสายลงไปไม่ใช่ไปแต่เช้ามันก็ปอย่อย่างนั้นเป็นต้นเหมือนเหมือนเราไปเห็นจริงท่านพูดขึ้นไหนพูดแบบไม่สงสัยเลยนะฮึ มันเราม่มความสงสัยเกื你你่อบปนเลยีกรเขาพูดกมาดังขึงขังเลยนะเนยังทำนันเอางเลยเมนย่างที่ว่าบุหรี่กาไก่แล้วนั่นเลยเห็นไหมล่ะแต่คาดท่านท่านใสเปรียงเลยแน่ไหมล่ะมาเอาไปให้บุหรี่นี่ของ้ายเจ้าเห็นปะนี่ไม่บริสุทธิ์นะ อันี้ก็งงไปแรกก็ไม่รู้เรื่องเวาต้องจะอยไปถามก็ทีแรกก็บอกประการเรียนท่านว่าไม่ได้ขออะไรเจ้าของก็ผมคนเดียวแล้วให้โงงยงเขาต้องการมานั่นแนหะของอะไเจ้าอยู่ในนั้นน่ะว่างนี่แล้วอนะเอาไปนั่นแหละต้งที่หละ่ะท่านอ่อนกับเราเมื่อไหอร่เพอความรู้งท่านแนวพอแล้วนะี่ยคราวนี้ที่ถ้าาท่านเด็จนั่นแนหะของอะไรเจ้าอยู่ในนั้นอ่ะเอาไปไม่บรรลุว่าอย่างนี้น อ, อ, อีกแล้ว เขาไม่กล้าจะเถียงที่ไปจรงว่าก็สอบถามหมู่เพื่อนนิยมเขาไม่ว่าของการของใครเขาเสร็จเหลืออะไรแล้วก็คว้ามาซื้อนัื่นมาหมดทันทีเวลาไปถามเป็นความจริงเลยสิพระองค์นั่นแหละไปถามเลยถูกต้องหมดเลยเดี๋ยวเมาแจ้งให้หมู่เพื่อนทราบว่าของการที่เสร็จเหลืออะไรนั่นแหละนิยมก็เลยซื้อเนงะื่อนมาแล้วว่าต่างองค์มรซาแล้วก็นมูมทนาระเบิ กราบขอโทษท่านแล้วก็ถวายใหม่ท่านไม่ว่าอะไรตั้งสูบเนี่ยอย่างนั้นแล้วทีแรกอันที่ผมลองดูอยู่ดี่ว่าเรื่องพ่อแม่โอจานโอ้ยเอาจริงเลยผมอะมันเหมือนกับอัดเท่ไว้ยังบอกแล้วใ <c oughs> ครจะแม่นยำนี่กัท่านพะคุณเรื่องอะไรนี่โอ้ยแม่นยำมาก ผมนั่งภาวนาท่านขนาดผมนี่ผมก็ไม่ลืมก็เป็นไข้มาลาเรียนี่ว่าไอ้อนหนามันเหมือนโอ้โมันสะบั้นเนเนอาอะไรมาผมก็มาอยู่แหละธรรมาดาแต่ผมไม่หม่มผมเคยมันแล้วเนี่ยเอาวน้ำมนน้าไปว่างั้าดลคนนิสัยอันนี้นี่ห่มเพียงผ้าสังกาติผืนเดียวพับครึ่งแล้วหม่มหนาวขนาดนแ้นก็อ้าวหนาวไปไม่จะถึงไหนวะ ในเวลามันเปลี่ยนหนาวเป็นร้อนผมก็แมว อ, ออกผ้าฟัดกันอยู่นั่นพี่ชนาควอนมันเหนือนก็เราก็เคยพี่นาตังทุกเวทนามามากก็มากแล้วนี่เวลาเอากันมันเหนือดอยมากๆ แ, แล้วก็เป็นจังหวะที่ท่านกําหนดมาแล้วสิอตอนที่คุยเถี่ยวฟัดกันอยู่นั่นตอนนั้นท่านไม่ไ ม, ไ, มไม่ได้กําหนดจิตมามาตอนที่เจากันอยู่นี่มาจังหวะนั้นพอดีกลางวันนะ ท่านบอกท่านนั่งภาวนาว่ขึ้นไปทำไมทำง้นละ่ะภาวนาว้เราก็มันเคยนุกกับเหี่ยวเคยกลัวกันพอแล้วนี่จะไปตอบได้ ง, ง่ายหรือต้องฟังก่อนเลยทำไมทำง้นละ่ะภาวนานะ่ะวพูดแบบคู่นี่เราก็นิ่ง ก็นั่งนย่นี่แล้วเห็นไม่เหันอาหามื่อเช้านี้กต่วันเพรามากราบเดียนท่านมาวันนี้จะม่ฉันอาหารมันเริ่มจับไข่แต่เช้าก็บอกกันและวทางกระบะอะไรนั่นก็ฟัดกันเลยแล้ะอ๋อใครมาเรียนมาเล่นเมื่อไหร่มันฟัดทั้งวันมันเป็นตกตายจริงชัดเป็นเะพาะแล้วเหมือนเหนื่อยแล้วก็เลยจ้างดูเวทนาที่นี่นะ กาหนดดูเนี่ยตอนนี้ตอนตอนจ้องนี่แหละคือตอนพิจารณาคุ้นข้าวฟัดกันแนละ้วท่านท่านคงไม่กําหนดไปตอนนั้นพอมาถึงมาจุดนี้จุดต่อกนะันท่านกําหนดไปตรงนั่นที่ละนั่นแล้วเอาเลยรนาดเลยเนี่ยนั่งอยู่นี่แล้วเป็นยังไงธรรมะนี่มาเป็นไข้พิจารณาเวทนาพิจารณาไงกันว่างั้นนะ่ะเลยกําหนดไปดูทั้งว่างี้อ่ะโหชัดขนาดไหนวะ กำหนดไปดูท่านวานนน่างนี่นะไปดูนี่เจาะเ่ายังงี้หัวนั่นเห็นไหมฟังดินะทุก็เวทนากับใจนะเจาะนี่ทำแบบฤาษีแบบม้ากัดกั น, นผมไม่ลืม น, นะอันแบบฤาษีแบบมากัดกันมันน่สะสติปัญญาที่ไหนอืหัวว่างนี่นะอ น, นี้สัตจเจาะงั้นเถอะหัวปัญญาเ น, นี่ยหรืออริยสั์ที่แก้ชาไทยนะหัวงี้ อยอมเลยผมก็มันเป็นจริงๆตอนนั้นหรือว่าเอาหลังจริงก็เราก็ทําจริงๆนี่นะท่านก็ใส่เาตรงจุดนั่นแหละอย่างนี้แล้วขานท่านได้หมดเลยมันมากำหนดไปดูท่านวางเนี่ยมันเป็นยังไงแจะมาหาเนี่ยเหนอชอบไม่ขันอยงหันว่าคายแต่เช้าตอนกลางวันเงียบท่านนั่งภาวนาเนี่ยมันเป็นยังไงการคข่ของท่านมาหาเนี่ยเป็นยังไงกำหนดไปดู ในแลอ็อยู่อย่างนี้งัว่านี้นะโท่เอาตั้งตัวภูไลเอาทั้งของกลางมาตีหนะ้าผากเราเขก็ยอมเลยอยู่กับท่านโอ้เย็นถ้าพูดถึงเรื่องเมตตาท่านแมตตา ม, มากอยู่กับผมนะไอ้อากับเรานี่แหละเป็นมีตอนท้ายตอนท่านป่วยหนักเข้ามานี้ อย่างนี้ผมก็ไม่ลืมแต่ธรรมดาก็ไม่น่าจะพูดเพราะมันเป็นการโอ้อวดแต่มันก็เป็นความจริงที่กันพูดจริงๆมาอันนี้ผมไม่ได้ฟังอยู่ในนั้นลพะพระนวดเส้นถวายท่านสององค์สามองค์อยู่้คราวเวลาท่านนวดเส้นแล้วคลายกรลุมไปได้แล้วก็พักท้องสันตบายอยู่น้องๆแลัวก็กพูดกับพระบังเลนะ็กน้อยธรรมดาให้ลาท่านไม่ ล, บลบาบังคืนหนึ่งกันถ้ากลางกลางกางนี้น ท่นไปพักข้างในห้องเสียท่นพูดเป็นลักษณะเอะใจเป็นกังวลกับหมู่เพื่อนเป็นลักษณะเอะใจพูดอั น, นเริ่มรั้นเริ่มนี้ไปที่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่ยนะวยแ่ะวว่าท่านบอกไว้แล้วว่าการไข้หนี้ไข้ครั้งนี้แหละท่านบอกไว้เลยตั้งแต่เริ่มต้นนั่นกระยังนั่นที่พิษไปไหนล่ะไข้ครั้งนี้เป็นข้างสุดท้ายก็อยู่กับวันนี้แหละอันวะไม่มีหายเห็นไหม แต่มันมาตายง่ายนะ โ, โลกวันนี้เขาเรียกว่าโลกคนแก่อะไรท่านวางกันเวใครจะไปหาอะไรมายุ่งนะนี่ทังที่ท่านจังมันจะเป็นน้งมันไปเรื่อยจนมาท้งสุดท้ายเลยมันก็ย่างก็แปดสิบผมก็บอกไว้หมดแล้วนี้เวลานวดเชิญถวายท่านอยู่ท่านพูดเป็นลักษณะใจขึ้นมาเออท่านวางกัน นี่เวลาผมตายจะทําไงพวกท่านจะพึ่งใครละ่นะนี่ว่าพรนํามาเล่าให้ผมฟังเรื่องท่านพูกเกี่ยวกับผมเรื่องอะไรพระจะต้องมาเล่าให้ฟังแล้ผมพระก็เขารบผมเนี่ยกลัวก็กลัวเป็นองค์ที่สองงั้นเถอะใครมาทึ่อผมได้เมื่อไหร่อยู่นั่นก็ดีเหมือนลูกกับเดี่ยวนี่นแหละเราก็ไม่ตั้งท่าใหญเป็นมันก็เป็นเองอยู่ในนั่นแนะ่ะเพราะเราจริงจังทุกอย่างนี้เราไม่เล่เล่นทุกอย่างนี่ว่า อันนีเอ๊ะขึ้มาแล้วเออเวลาผมตายพวกท่านจะพึ่งใครละ่ะมันวาง่างนี้แล้วเดี๋ยวต้องก็ตอบเองเออในพึ่งสรมฐานนะวะเวลาผมตายในพึ่งธรรมฐานนะธรรมฐานสาคัญอยู่นะวะทั้งภายนอกภายในยพร้อมหมดนะวะท่านั้นเราไม่พูดมากแล้วในพึ่งธรรมฐานธรรมฐานสาคัญอยู่นะทั้งภายนอกภายในมันวาง ก็ตอนนั้นกับปัญญามันออกทกเท่าไหร่แล้วนี่นั่นมันเป็นปัญญาโนมัติแล้วนี่ตอนท่านป่วยมันเป็นอยู่ก่อนนั้นแล้วนี่ น, นั่นมันหมุนอยู่ติวติวตลอดแล้วเอลไรเราก็เคยพูดกับท่านแล้วเนี่ยพราะ ง, งั้นเวลาท่านเพียบทางร่างกายเราก็เพียบทางใจจึิงในว่าเวลามันเป็นขึ้นมานี่ไปถามใครก็มีครูบาอาจารย์ทุนโท่ อ, อยู่นั้นว่าอืมไปถามเสียไปรอทำเสียเวลาอะไรถ้าให้มี ผูที่ปรึกษาแต่ถามมันก็ต้องฟัดต้องเหยียงกันจนสุดขีดแต่นี่เมื่อมีอยู่ก็เหมือนอย่างพระพระสงฆ์ในครั้งพุทธการที่เข้ามาทูลถามปัญหาพระเจ้าใช่ไหมละ่ะนั่นเมื่อมีอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ใครจะไปทําให้มันเสียเวลำเวลาอยู่เปล่าๆนอนตายเฉยๆมันขัดข้ออะไรก็ไปทูลถามนี่ก็เหมือนกันมันไปขึ้นมานี่แต่เดช า, าสำหรับผมปหาท่านไม่เคยที่ท่านจะห้ามผมเลยนะอุ้มเดียวกันกท่านนอนอยู่กับท่านแผมขึ้นได้ทุกเวลาไปงั้นนะ่ะ เพราะผมขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมขุ้นด้วยความหวังพึ่งจริงๆท่านก็รู้นี่ขึ้นไปกราบเรียนท่านท่านนอนอยู่นะบางทีท่านนอนไปกราบเรียนนี่เหมือนท่านหลับเลยถ้าไม่ได้หลับนี่แหละเรื่องปัญญาขั้นนี้แหละที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นเรื่อยๆเนี่ยเวลากราบไปกราบเรียนท่านแล้วท่านเปิดคึบทัน ท, นทีเลยนะมันเร็วที่สุดนะเนี่ยของผู้ผ่นไปแล้วก็พูดที่เป็นบ้าอยูนะ่มันต่างกันนะเพราะเราเป็นยังไงกราบเรียนท่านท่านใส่ปุ๊บมาทีเดียวมัน อยังงี้เลยนะพอเสร็จกลาบก็ามาไปเลยไม่รอนานนะ่ะพอเข้าใจแล้วไปเลยถ้าอย่างนั้นยังไม่พอใจฟังซะก่อนเดี๋ยวท่านซ้ํำอีกท่านก็รู้นี่ว่าเรายังไม่แน่ใจเพราะเรานิ่งแล้วไม่กระดูกกระดิกนี่ถ้าถ้าเราแน่ใจแล้วเราจะกลาบทันทีเลยท่านก็รู้กลาวแล้วไปเลยมันเกิด อ, อยู่เรื่อยนี่ปัญหาว่าไงในหัวใจมันมันถึงในน้ําตาล่วงอยู่เฝ้าศพท่านอยู่ โอ้เวลาท่านเป็นแล้วต่อไปนี้ใครเราจะปร่งกับใครปัญหาของเรามันอยู่มีไม่ว่ากลางวันกลางคืนมีตลอดเวลาเพราะปัญญามันหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลานี่ว่าไงเนี่ยขึ้นมาอะไรก็ได้สําหรับผมเองไม่มีใครไปเกี่ยวข้องเวลาผมจะพูดธรรมจัเฉพาะกับท่านผมโปร่งเดียวขึ้นเลยขึ้นเลยเลยกาบเรียนเรื่องมันเป็นอย่างนั้ น, น, น ของภาคปฏิบัติล้วนๆมันเป็นในใจล้วนๆพอแยกไว้ท่านจับต่อปุ๊บทันทีเลยทานนี่โอโหแตกกระจายเลยเข้าใจปุ๊บลงไปเลย<ม>นี่แหละปัญหาทางใจนี่มันสาคัญผู้ที่ตอบนะไม่รู้มันอย่างภูมิกันทันทีนะถ้าสมมุติว่าองค์นั้นไม่เป็นองค์นี้เป็นไปถามองค์นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ตามนะพอถามนั้นตอบมาสุม่มสี่ห้ามันสั่งไม่ได้แล้วนั่นมันเป็นการอะไรวัดภูมิในตัว ท า, ทางนั้นตอบมาถูกต้องป้าแสดงว่านี่ผ่านไปแล้วนั่นมันบอกงั้นนะบอกในตัวเพราะอันนี้มันมันอะไรให้พูดไม่ถูกนะมันเป็นช่องเดียวจะไปแยกไปไหนไม่ไดนะ้ต้องตอบให้ตรงแนวนี้ตอบไม่ตรงไม่ไม่เอานอนจะไม่เอาแล้วยังดูถูกอย่างนี้ออย่างนี้มันสามารถมาสอนเราเลยว่ะ <c oughs> นั้นแนหะมันเลียกว่ามันหัวเลี้ยวหัวต่อที่เขาได้เขาเข็มปัญหาในภายในใจของผู้ปฏิบัตินี้ถ้าไม่ผู้ปฏิบัติด้วยกันนี่จะยกปริญาสมาหมดทั้งหีก็หด ไม่ได้เรื่องว่างไม่ได้ประมาทเป็นเงั้ยเหมือนยกยาทั้งหีบเอาหมอเถือนไปรักษาโรคเขาเป็นอะไรมาก็โยกยาทั้งหีบทุ่มกันเลยได้เหรอน้ออันไหนที่มันถูกก็หมอผู้ที่เรียนมาแล้วเข้าใจทันทีหยิบปั๊บมาเท่านั้นไม่มากอันนี้ก็เหมือนกันท่านต่อปั๊บเดียวเท่านั้นนั่นแตกกระจายไปเลยแตกกระจายไปเลยนั่นอืเคยได้มากับท่านถึงเท่าไหร่แล้วนั่ะเมื่ออย่างนั้นจิตมันก็ลงอยู่ในนั้นหมดเสิผม เราไม่ทราจะไปถามใครหันไปไหนมันก็ไม่รับรอย่างจิต ม, มีแต่ท่านองเดียวเท่านั้นปัญหามันเกิดโอ้ยไม่มีวันมีคืนนะเพราะมันทํางานอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้หยุดเมื่อไหร่หมุนเป็นธรรมจับอยู่ตลอดติวติวติวเราก็ไม่เคยค่ายเคยคิดว่ามันจะเป็นถึงขนาดนั้นบา้บาๆไม่ได้เป็นแล้วเป็นอย่างนั้นจริงใครเป็นเขามันก็รู้เอ๋ไม่ได้ถามกันแล้วเรื่องนี้น เนื้ออ๋ภาวนามัจยปัญญาเนี่ยความเพียรมันมันเลยความเพียรแต่มันพูดไม่ถูกนะถ้าว่าความเพียรคือมันมีเพียรพยายามถ้าเราว่าเอาความเพียรเป็นกลางๆไปธรรมดาเป็นภ พ, พื้นหนึ่งของของผู้ชำระกิเลสก็พอพูดได้ว่าความเพียร น, นะเป็นพื้นฐานของผู้ชำระกิเลสนะแต่ถ้าในน้ําใจนั้นมั น, ม, นมันเลยเพียรไปเลมันอะไรก็ไม่สู้มีแต่ฟาดก็มีแต่จะตายจะเป็น มันไม่ได้เพียนมันยังเป็นมันเดิมอยู่ว่าไม่ได้เพียนเนี่ยเรียนรั้งอาไว้หนู่นะมันเพียนอะไรจะเดียนังอาไว้เดียนขนานนั้นเวลามันหยุดทุกมันก็เอาอีแหละไม่มีปัญหาไม่มีอะไรที่จะไปคัดค้านต้านทานกันนะว่าผิดว่าถูกประการใดอย่านี้ไม่มีพอเวลายุติก็ยุติเงียบไปเลยทั้นี้ก็พอพอเหมาะพอดีกันว่างั้นเลยนะเวลาปัญญาอภ่ยนี้ยุติมันก็พอดีกันดีหละ มันไม่มีอะไรที่จะท้านกันเนอะนี่แหลเรื่องทางใจเป็นอย่างนั้น่ะถ้าไม่ไม่เป็นตอบไม่ได้ว่าหรือมันตอบคาตอบมันไม่เลยมีกัมพีนี่เพราะความเป็นก็ไม่มีัมพีมันเป็นขึ้นตามหลักความจริงที่มันของผู้ปฏิบัติจะปรากฏขึ้นมาต่างหากเราจะไปคว้านคนคนนี้มาไม่ทันแม้แต่ผมเดียนเองผมยังเอาแก้มาแก้ไม่ได้ว่าที่ว่าไงเพราะแม่ครูจานทร์ใส่ปุดเดี๋ยวมัน ลงทันทีเลยนั่นอ่างั้นมันผิดกันอย่งนั้น่ะแเราก็เรียนมาทำไมไม่เอามาแก้ล่ะทามันมีได้คัมภีร์ทุกอย่างมันไม่มีนี่ว่าไงเขาก็เรียนมาแต่มันไม่มีเวลามันเป็นไปมาเนี้ยมันเป็นอย่างนี้เนีาหาคัมภีร์ไหนมาเทียบ ม, มันก็ไม่มีนี่แล้วเวลาไป็นเล่าถวายท่าถ้าใส่ปุ๊บเดี๋ยวท่านท่านเอากัมภีร์มาจากไหนฮึมลงเลยลงเลยยังได้อาจจรพระแม่หูจาราย์ร ม, มั่นเนี่ยว้าอัจจจรกินผม มันลงลงขนาดนั้นนะพิจาราไปตรงไหนรู้ไปตรงไหนเป็นอิ่งที่ท่านบอกแล้วสอนไว้แล้วเหมือนธรรมปุ้นเจ้าสอนไว้แล้วนะั่นเองที่ท่านพูดไปตอนนั้นตอนนั้นเวลาเราไม่เป็นมันยังมันไม่ค่อยนักนะแต่มันพอจาได้อยู่นี่เวลาปฏิบัติไปไปสัมผัสพอเรื่องนี้มันขึ้นปั๊บมันมันก็นี่เอาเรื่องนั้นมาสัมผัสกันปั๊บมาประยุกประยุกตกันหรือมาเล่าเข้ากันปั๊บเลยลงเลยลงเลยลงลยั้นนะธารมะเวลากินั้งเรามันยังไม่เป็นไป นี่ท่านพูดอะไรก็ฟังไปมันคาจําได้ของมันอยู่ในนั้นแหละเหมือนกับจําไม่ได้นะแต่เวลาไปเป็นขึ้นมาภายในใจ อ, นนน อ, อ, นอันนั้นออกมาทีนี้นั้นออกมาเหมือนเราคัมภีรนั้นออกมาคมพีนี้ออกมาที่ว่าระหว่างปรักกับปฏิบัติวิ่งถึงกันนั้นเป็นเองตั้นวะถูกมันวิ่งรับกันป๊อปป๊อปป๊ อ, อ, อนี้มันจะไม่มีแนละ้วนั่นน่ะมิว่พผลเดียวพูดบ้าอยู่เฉยเหมือนว่าทํา ศา ส, สนาคมพีรที่สานแสดงไว้เหมือนเป็นกระดาษเศษไปแล้วนั่นเอยในชาวพูดเราไม่เห็นอะไรเป็นของแปรประหลาดอะไรเลยมันกําลังจะเป็นแล้วนะว่าอํานาจของจิเรศมันมากต่อมากหนักต่อหนักมันครอบไว้หมดไม่หมดเลยเรื่องขจิตเรศที่สําคัญสําคัญตรงนั้นเลเรื่องของธรงรมไม่มีอะไรสัำคัญอ๋อศาสนาเสื่อมเสือมอย่างนี้เองแต่อนี้เองเนี่ยมันเราเป็นให้รู้อยู่นละ่ะเอาละเนาะเลือกกัน